พระเนค ม, มานั้นจึงมีการออกจากวัตถุกรรมออกจากความมีโชคเป็นลักษณะมีการประกาศโทษของกรรมทั้งหลายนั้นเป็นลักษณะโทษของกรรมเป็นยังไงที่ว่าประกาศโทษของกรรมแล้วกามทั้งหลายมีโทษอย่างไรก็บอกว่ากามทั้งหลายมีมีรสอร่อยน้อยมีโทษมากโทษอื่นหรือว่าทุกข์อื่นยิ่งกว่ากรารมทั้งหลายไม่มีเหมือนอะไรเหมือนกับบอกว่าเคียงสับเนื้อก็ เ, เห็นไหมเวลา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 ก็เหมือนกับว่าถือเทียนเวียนเทียนแล้วน้ําตาเทียนมันหยดใส่บอกอันนั้นเล็กน้อยถ้าถือคบเพลิงใหญ่ๆแล้วนะแล้วเดินทวนลมเนี่ยมันปลิวมาตกใส่ตัวฉันได้ตั้งแตมีมีอะไรมั่งไม่ปลิวมาใส่ใจมั่งไม่ให้เดือดร้อนเลยนะเคยมีไหมพี่ต๋ยตั้งมีรถม้าสบายใจตลอดเลยมีความสุขมากที่มีคันนี้ไม่เคยสร้างความเสียใจให้มาแต่นิดเดียวนะที่ไหนได้สเก็ตไฟตกมาใส่ทั่วไปหมดเลยนะจอดที่แดดร้อนเกินไปก็สับ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 ตามเนื้อผ้าเขว่ากงั้นอ่านตามเนื้อผ้ า, านะเช่นะมีผ้าอยู่พื้นหนึ่งแมตติดคราบเลือดคราบน้ำตาคราบเหงื่อคราบสารพัดคราบนี่ก็เรียกว่าอ่านไปตามคราบที่มันมีอยู่ลักษณะนั้นแหละเนคขมมะบารมีเนะี่ยจะบอกโทษตามเป็นจริงอย่าลืมว่าพวกนี้มีปัญญาประกอบหมดนะบารมีทุกข้อมีปัญญาประกอบหมดแล้วก็หันหลังให้หันหลังจากโทษนั้นเป็นปัจจุ ป, ปถานเนี่ย น, นะเห็นหันหลังออกจากโทษเหล่านั้น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 แทบจะได้กลับไอ้คำที่มาระเบิดตายทั้งลำอยู่แล้วเนี่ยนะไม่ได้มาบอกโอ้หลังจากนั้นเข็ดนะไม่ไปไหนอีกแล้วว่างั้นนะเพราะลำนั้นะตายทั้งลำเลยนะตกทะเลตายเกลี้ยงเลยว่้นโอ้ยดีที่เรารอดมาได้ว่างั้นมันก็เลยกลายเป็นอะไรดีใจไปเลยใช่ไหมเขาบอกว่าคนที่ออกจากกรามทั้งหลายเนี่ยนะตอนแรกก็จะทุกอย่างมันก็น่ายินดีแต่ว่าถ้าไม่ออกอะไรจะเกิดขึ้นเพราะรู้ว่าลักษณะอะไรนะไประเบิดไปไ ป, ไปพลีชีพ พี่สุขติหมดเลยเหลือแต่อบายเนี่ยนะพลีชีวิตที่เป็นสุขติหมดไปจมอยู่ในอบายทุกขติวินิบาตนารกเนี่ยนะนะถ้าเราเห็นพวกมนุษย์ทั้งหลายที่ที่ลักษณะระเบิดตัวตายเราก็บอกว่าปกติพวกเดรชานที่ตายแบบเละเละ เ, เ, เนี่ยเยอะมากเนี่ยนะเพราะผลของอะไรก็เพราะผลของกรรมที่ตัวเองกระทำเอาไว้แล้วนั่นแหละเพราะฉะผู้ที่มีเนฆามะมีกุศลเนฆามะจึงหันหลัง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 ส่วนต่อไปลักษณะลัคณาที่จตุกะของปัญญาปัญญานั้นมีการรู้แจ้งแพงตลอดสภาวธรรมเป็นลักษณะเนี่ยรู้จักสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขให้ผลเป็น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 ณอริยศาสตร์เนี่ยเป็นจริงมันเป็นยังไงทุกปีรณนะสันตาปะวิปริณามะและสังคตะสมุทัยอายุหันะเป็นต้นสามารถที่จะพิจารณาเพื่อแทงตลอดอริยศาสตร์เหล่านั้นได้ตามเป็นจริงและเป็นการรู้ที่ไม่พลาดรู้แล้วเขาบอกว่ารู้รู้ ร, รู้พลาดไม่รู้ยังไง ร, รู้แต่ว่ารู้แล้วพลาดรู้แล้วเดือดร้อนความรู้ใดที่รู้แล้วเสียใจในภายหลังความรู้ว่า น, นั้นเรียกว่าความไม่รู้เรียกว่าเป็นรู้แล้วพลาด แต่ปัญญาไม่ได้เป็นอย่างนั้นรู้แล้วกลับไม่เดือดร้อนในภายหลังเสียใจตรงที่ไม่รู้ด้วยซ้ำไปเพราะเป็นความรู้ที่มีอุปการะมากมีคุณมากส่วนกิจของปัญญาก็คือมีแสงสว่างตามวิสัยเป็นรัศดุดประทีบประทีบที่แสงไฟที่มาตรฐานส่องให้เห็นภาพตามเป็นจริงฉันใดปัญญาที่เกิดขึ้นก็เหมือนกันสา ม, มารถที่จะส่องให้เห็นตามเป็นจริงมองเห็นทางเสมอมองเห็นทางไม่ เสมอมองเห็นทางราบเรียบทางตรงทางครุขระเป็นต้นฉันใดผู้ที่มีปัญญาก็เหมือนกันมองเห็นเลยวันนี้ทางนรกนี้ทางเปรตทางอสุรกายทางเดรฉานทางมนุษย์ทางเทวดานี้ทางแห่งพรหมโลกนี้ทางแห่งพระนิพพานเป็นต้นนั้นปัญญาเนี่ยเหมือนกับเรียว่ายือนอยู่ในที่แจ้งยือนอยู่ในที่สว่างมองเห็นทุกอย่างได้ฉันนั้นต่อไปบอกว่ามีความไม่หลงเป็นอาการ ปรากฏเหมือนคนนำทางไปในป่าคือไม่หลงหมายคว่าไม่หลงไม่หลงทิศนะคนที่หลงป่าเนี่ยนะจริงๆเนี่ยมันจะไพล่ไปทิศเหนือมันไพล่ไปด şey อ, อกทิศตะวันตกก็มีพระกลุ่มหนึ่งนะไปหลงทางอยู่สามสี่รูปในป่าใหญ่แห่งหนึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยนะหลงอยู่ป่าเขาใหญ่นี่แหละอีกคนหนึ่งนันไปออกทางโคราชอีกคนหนึ่งไปออกทางเปจชนเนีน่ยนะอีกคนนึงก็คือออกไปคนละทิศคนละทางเลยนะขาอความหลงทางอ่ะนะไม่อดข้าวตายกลางป่าก็ดีแล้วว่างอนกัน แต่ถ้าอันนั้นคือความหลงรล้วว่าหลงทางอันนั้นหลงทางบอกว่าเสียเวลามันเสียเวลาเฉยๆมันเดี๋ยดีเสียชีวิตด้วยีิบางทีนะบางทีก็เสียเสียตลอดฉันใดผู้ที่ไม่มีปัญญาก็หลงฉันนะนั้นปัญญาก็คือความไม่ไม่หลงเอาถามว่าหลงเนี่ยหลงเนี่ยรู้ได้ยังไงเรารู้ได้ไหมว่าถ้าเราไม่มีปัญญาแล้วเราหลงในเรื่องอะไรบ้างก็หลงดูจากว่า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 ไม่เป็นไปตามนั้นแต่เป็นหนทางเพื่อมรักผลนิพานไม่เผลอแยกแยะอะไรเป็นสาระไม่ใช่สาระถ้าแยกแยะได้ขนาดนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญามันนั่นเป็นอาการที่ปรากฏของปัญญาทําให้ไม่หลงไม่เลือ้อเลือนไม่เลอะเธอะไม่สับสนเนี่ยนะไม่สับสนแต่จริงๆสังสารวัตเนี่ยมันก็มีความซับซ้อนเหมือนอยู่ในป่าเนี่ยมันจะดูเหมือนเอนกันไม่หมดเลยนะไอผิดกระถูกเนี่ยมันจะดูคลับคล้ายคลับคลาไปหมดเขาบอกมีต้นไม้บางอย่างเนี่ยนะ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 มันคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาสอ่ส อ, งสองเห็นเลยว่าอะไรเป็นอะไรไหมาว่าไม่เจอไม่ถูกหลุมพรางเห็นแค่ความเหมือนเป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นคนที่ไม่ไมเผลอไม่เลอะเนี่ยนะเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะคนที่เผลหรือลุ่มหลงเนี่ยนะด้วยอำนาจของโลภะบางอย่างก็ทำให้ลุ่มหลงมัวแต่คิดในเรื่องอื่นๆเนี่ยนะ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 ถ้าเราไม่สนใจอริยสัจเลยก็แสดงว่าไม่สนใจปัญญาเลยเนี่ยนะบางคนไ ม, ไม่ชอบฟังอริยสัจนะไม่ชอบฟังพร่อบอกว่าอะไรรู้ความจริงเกินไปเนี่ยนะชีวิตที่รู้ความจริงมากไปไม่ดีสุกหลอกบัางดีกว่ามีความสุขกว่าเยอะไม่เชื่อบอกพูดอริยสัจบ่อยๆไม่ชอบโอ้นี่แก่ไปเยอะแล้วนะเกือบแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยชาติชรามรณะเดี๋ยวยินเถอะเดี๋ยวก็โศกกปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตชอบฟังหรือเปล่า อย่างนั้นแตนุราแห่เดี๋ยวก็โสกาปริเทวาเล่าน่ะนะพื้นฐานจริงๆอ่ะดูว่าชอบฟังแค่ไหนเป็นต้นน่ะนะนน้นยิ้มๆเนี่ยดี๋ยวก็โสกาปริเทวาเดี๋ยวก็ตายเลิกเงนะไปไหนบอกไปตายเป็นต้นน่ะนะก็แหมแต่มันก็จริงอ่ะนะแต่ความรับยากมันก็เลยไม่เห็นอริยสัจสักทีเพราะไม่ค่อยพร้อมที่จะคิดอริยสัจสักเท่าไหร่นี่นะไม่ค่อยพร้อมที่จะรับความจริงสักเท่าไหร่นี่นะก็ก็ดูพื้นฐานแบบอริยสัจนี่มันก็คือมันไม่วิปลาสอ่ะนะ ก็ยอมรับสภาพที่เป็นจริงแต่ถามว่าอริยศาสตร์เนี่ยบะอกยอมรับสภาพที่เป็นจริงก็เลยจำน้นกับความจริงใช่ไหมใช่ไหมเอ้าเอ้าเมื่อมันจริงก็ต้องไปทําอะไรมันเอ้าเมื่อมันจริงอ่ะความเกิดก็ทุกข์ก็จริงแก่ทุกข์ก็จริงตายทุกข์ก็จริงโสกกาปริมันทนเถอะมันก็เป็นความจริงมันเป็นธรรมชาติที่มันจริงแบบนี้ทนทนกันเถอะ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 ทนทุกข์เนี่ยนะนั่นนะนนนะเรียกว่ามีปัญญาแต่ถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยนะไอ้ที่ยังไม่ทุกข์ก็คิดยังไงจะได้ทุกข์ไอ้ที่ทุกข์อยู่แล้วจะเพิ่มทุกข์ได้ยังไงเนี่ยนะนั่นแนหะละไม่ใช่อาการของปัญญาเนี่ยนะแล้วสังเกตดูนนะถ้าเราไม่สบายใจนะคิดให้ไม่สบายใจเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะเก่งมากเลยนะแต่คิดให้สบายใจไม่ได้เดี๋ยวว่าขาดความรับผิดชอบนั่นนะเออเก่งนะเก่งจนต้องสรุปว่าไม่สบายใจมันดีที่สุด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 จำนนต่ออกุศลผู้ใดที่จำนวนต่ออกุศลจำนวนต่อกองทุกพวกบุคคลเหล่านี้เรียกว่าไม่มีความเพียรส่วนพวกที่มีความเพียร น, นั้นจึงมีการไม่จมเป็นปัจจุปฐานคืออาการปรากฏเนี่ยนะไม่จมนะไม่จมก็แปลว่าลอยขึ้นเนี่ยนะลอยจากอากุศลเนี่ยนะกุศลเนี่ยเพิ่มขึ้นอกุศลลดลงเนี่ยนะก็คือมีแต่ลอยขึ้นมีวัตถุปรารบความเพียรหรือวิิยารัมพวัตถุแปลเป็น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 คิดว่าจะได้ฟังธรรมหรือถ้าถึงอะนะสมัยนั้นอะมีอย่างพระพุทธเจ้าองค์ตัสโรมาทั้ง28พระองค์แล้วเนี่ยนะจะตั้งพระพุทธเจ้าทีปังกรมายีา่สิบแปพระตันหังกรเนี่ยยีพระองค์มาจนถึงบัดนี้แล้วนะเราก็ายังคงทนอยู่ตามเดิมของเราก็เห็นไม่ไหนเลยเทราะนแสดงว่าไม่ได้มีปรารบวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชเนี่ยนะก็ควรที่จะสังเวชห ล, ลายเรื่องเนี่ยไอ้คาว่าสังเวชเนี่ยต้องให้ตัวเองเป็นแบบนั้นก่อนแล้วค่อยสังเวชไหม ค่อยๆสลดใจไหมอย่างไงไม่ต้องเนี่ยนะก็ภายนอกก็น่าจะเพียงพอแล้วนะบางคนนี่บอกว่าโอ๊ยทําไม่เป็นเองไม่กลัวรอกว่างั้นนะ่าเออตามใจกันแล้วกันถ้าเป็นเอตดก่อนแล้วค่อยเข้าใจก็ตามใจเนี่ยนะไม่คุยด้วยแล้วว่างั้น อ, อะไรนะบอกว่าต้องเห็นลงศพก่อนนะั่นแหละว่าโอ้ยเกือบตายก่อนนแล้วลค่อยสํานึกได้แต่ยังไงก็ไม่รู้จะทําไงแล้วนะอีกในหนึ่งก็บอกว่ า, วาเหตุใกล้ของการตรารบความเพียรก็คือมีความสังเวชเป็นเหตุใกล้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 ภูมิของตัวเองให้มันมั่นคงถึงขนาดว่าตังองคำถามว่าในโลกนี่มีอะไรมั่งที่ทําห้ามเราไม่ให้เจริญกุศลได้เนี่ยลองคน้คนๆดูเถอะถ้านบอกโอ้หาไม่เจอเลยไม่มีเหตุผลอธิบายว่าทํากุศลไม่ได้ไม่มีข้อแม้ที่ว่าทํากุศลไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็อนุโมทนาด้วยแต่ข้อแม้เต็มไปหมดเลยไล่ไปหมดเหตุผลที่จะเจริญกุศลได้หนึ่งเหตุผลที่จะเจริญกุศลได้สองที่เหลือ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 สรุปว่ามีเหตุผลจนจนถ้าเป็นอกุศลได้หมดได้เสมอแต่ถ้าเป็นกุศลไม่ได้อธิบายได้ทุกเรื่องไปหมดเลยมาก็เลยว่าโอ้ยถ้าบอกว่าถ้าใครอธิบายมากนะขอให้มันได้ห่างๆกันหน่อยดีคนที่ไม่ได้เจริญกุศลและอธิบายมากนะเขาบอกว่าทําไมไม่มาเจริญกุศลแล้ะข้อแก้ตัวนี้ของมาขี้เกียจฟังที่สุดทําไมไม่เจริญกุศลบอกไม่ต้องอธิบายทั้งนั้นหรอบอกขี้เกียจฟังที่สุดเลยประมาณนั้น บางคนนะโอ้ขยันจารนัยที่เขาไม่ได้เจริญกุศลเพรหนึ่งสองสามสี่ห้าฉันไม่ได้เห็นใจอะไรขึ้นหรอกมาทั้งพูดหรอกน่ารำคาญจะตายว่างั้นนี่นะ <c oughs> ไม่มีเหตุผลว่างั้นที่ตายแล้วก็ไม่เห็นมีเหตุผลอนธะิบายเลยสักข้อหนึ่งนะั <c oughs> ที่กุศลนะ่ะอธิบายยาวเลยนะนีที่เพียนกับมัจจุราชไม่เห็นมีอะไรอนธะิบายได้สักข้อเลยท่านก็สรุปว่าคนที่มีความอดทนนั้นจะไม่มีอะไรที่ขวางในการ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 นะนะสาธุโดยบุญกุศลที่ได้ทํามาก็ให้ห่างๆกันไม่หน่อยดีกลัวติดเชื้อมาด้วยว่าคิดแบบมันเมื่ อ, อไหร่กับเขาล่มจมเลยน ะ, ะพี่นาบแน่เอาทําไมทําบุญทำอะไรเอาก็ทําบาปกันนั่นน่ะแล้วไม่สงสารตัวเองหรือไงถ้าตกรทับมันจะให้ผลเป็นทุกข์เลยนะหรือบอกว่าทำใจได้เสมอเพื่ออะไรเพื่ออะไรสั้ว่าอุ้ยทนได้ทนทุกข์ได้เสมอเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อใครทําไม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 อย่างสมมุติว่าเราเดินทางไกลๆเนี่ยนะไปเจอทางขรุขระที่มันต้องเบี่ยงบ้างแล้วมันขรุขระบ้างเนี่ยนะว่าเลิกเลยเลิกเดินทางเลยใช่ไหมไม่เขาก็เห็นมันจะมีอุปสรรคบ้างจะมีปัญหามัาง่งจะมีเรื่องไม่เป็นเรื่องบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะาอยู่ในโลกเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าท้องฟ้าโล่งๆเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็มันก็ไม่ได้มันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆฉั้นคนที่เห็นตามความเป็นจริงนี่จะอดทนได้เสมอนีนะนะมีอะไรบ้างที่เขาทนไม่ได้เนี่ยนะ คำว่าทนได้บางคนเนี่ยทนทุกเรื่องอย่างโยมก็เราอท่านไม่รู้หรอกท่านบวชท่านไม่รู้ว่าอดทนมันเป็นยังไงปราณนั้นใครเลือกเดินทางขรุขระเองแล้วมาบน่นช่วยไม่ได้ประมาณนั้นนะบอกอะไรนะเลือกเดินทางพลาดเองแล้วบอกว่าเขาเนี่ยอดทนสูงมากประางนั้นเอามาก็ไม่เห็นว่ากับทนอย่างนั้นแล้วมันได้กําไรตรงไหนไม่เห็นมันมีกําไรอะไรสักอย่างกําไรอริยะอนะกําไรเขากําไรกุศลธรรมเนี่ยไม่เห็นเลยมีนแต่กัดฟันกรอกกรอกบอกว่าทนทน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 ต่อเนื่องแล้วเขาบอกว่าเขามีความอดทนก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะเขามาว่าทนหรือโง่กันแน่เนี่ยนะขันตินั้นจึงมีการเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ น, นะเวลาเจริญกุศลจะมีอุปสรรคขัดขวางบางทีเนี่ยสิ่งที่น่าปรารถนาก็ขวางการทำกุศลเนันนะบางทีเช่นว่าดีดีจนไม่รู้จะเจริญกุศลไปทำไม